พระไตรปิฎกฉบับประชาชนเล่มที่13าพระสูตรที่38พาหิติยสูตรสูตรว่าด้วยผ้าที่ทอมาจากแคว้นพาหิติพระผู้มีพระภาคประทับนเชตวนารามวันหนึ่งพระเจ้าปเปเสนที่โคศลทรงช้างเสด็จออกจากกรุงสาวัตถีเห็นพระอานนต์แต่ไกลก็ตรัสสั่งบุรุษผู้หนึ่งให้ไปกล่าวกับพระอนน์ว่า พระเจ้าประเสนที่นมัสการบาททั้งสองของพระอานน์ด้วยเสียงกล้าวถ้าพระอานน์ไม่มีธุระรีบด่วนขอได้โปรดร อ, อก่อนแล้วเสด็จลงจากช้างชวนพระอานน์ไปยังริมฝั่งแม่น้ำอจิระวดีต่างประทับนั่งเหนืออาสนะที่ปูไว้พระเจ้าประเสนที่โกศลได้ตรัสถามถึงว่าพระผู้มีพระภาคทรงประพฤติความประพฤติทางกายวาจาใจ อันเป็นการแข่งดีคือควรแก่การยกโทษกับสมณพราหมณ์ผู้รู้หรือไม่พระอานนทูลตอบว่าไม่ตรัสถามว่าความประพฤติทางกายวาจาใจอันเป็นการแข่งดีควรแก่การยกโทษกับสมณพราหมณ์ผู้รู้เป็นอย่างไรทูลตอบว่าถามว่าที่เป็นอกุศลเป็นอย่างไรทูลตอบว่าที่มีโทษ ที่มีโทษเป็นอย่างไรทูลตอบว่าที่มีการเบียดเบียนที่มีการเบียดเบียนเป็นอย่างไรทูลตอบว่าที่มีผลเป็นทุกข์ที่มีผลเป็นทุกข์เป็นอย่างไรทูลตอบว่าที่เป็นไปเพื่อเบียดเบียนตนบ้างเบียดเบียนผู้อื่นบ้างเบียดเบียนทั้งสองฝ่ายบ้างอกุสุลธรรมย่อมเจริญกุศลธรรมย่อมเสื่อมเมื่อมีผู้ประพฤติเช่นนั้น ส่วนในทางดีพึงทราบโดยนตรงกันข้ามพระเจ้าประเสริฐที่โกศลสนทรงเรื่อมใส่ในสุภาษิตของพระอานน์ถึงกับตรัสว่าถ้าพระอาหนใช้ช้างแก้วม้าแก้วหรือบ้านสวยได้ก็จะถวายสิ่งเหล่านั้นเนื่องจากสิ่งเหล่านี้ไม่ควรแก่พระอานน์จึงขอได้โปรดรับผ้าที่ถอมาจากแคว้นพาหิติยาวสบสองศอกกว้างแปดศอก ซึ่งพระเจ้าอาชาศัตรูทรงใส่หลอดไม้ไผ่สำหรับทรรมฉัดมาถวายเพื่อเป็นการอนุเคราะห์เมื่อพระอานนท์อ้างว่าไตรจีวรของท่านบริบูรณ์แล้วจึงทูลอ้อนวอนให้รับพระอานนท์ก็รับแล้วไปเฝ้าพระผู้มีพระภาคกราบทูลเรื่องทั้งปวงให้ทรงทราบและถวายผ้านั้นแด่พระผู้มีพระภาค